namo ตัสสะหกวาโตอระหะโตสมมาสมบุ a ิสสะนามอตัสสะหกวาโตอระหะโตสมมาสมบุติสสะนามตัสสะวโตอระหะโตสมมาสมุสสะุทธังธัมมะสังฆังนมัสสามิ วันนี้วันวันวิสาขาวันที่เราเลึกถึงและฉลองวันประสูติวันตัสรุและวันผ่สเสด็จพระนิพพานของพระพุทธองค์ตมาจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เราจะได้พิจารณาว่าพระพุทธองค์สานท่านทรงตัสรุอะไรมั่งที่ว่าตัดสรุนั้น มีความหมายอย่างไรท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุอะไระที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านได้บรรลุหรือสิ่งที่ท่านได้เข้าถึง สิ่งที่ท่านได้รู้แจ้งในวันวิสาขบูชานั้นก็คือความความจริงของธรรมชาติ และความจริงของธรรมชาตินั้นคือความจริงของมนุษย์นี้เองบางครั้งท่านจะเรียกว่าโลกท่านบอกว่าท่านาตรับสรุแล้วท่านจึง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 แต่โลกมีโทษอะไรมั่งแล้วท่านได้คุณพบวิธีการรถแทางออกจากการติดพันกับโลกท่านบอกว่าโกนหน้านั้นยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เข้าใจในเรื่องของโลก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 บางที่ราไม่ได้ผูดถึงโลกแต่ทำผูดถึงปัญจขันธ์กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งทำให้เราได้เข้าใจว่าในคำสอนพุทธเจ้าคำว่าโลกกับคำว่าปัญจขันธ์กับคำว่ากายและใจมีความหมายเดียวกันในภาษาธรรมะนั้นโลกไม่ได้หมายถึง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 ซึ่งเราสร้างขึ้นมาโดยอวิชชาและตำหาิจะถ้าเราจะสรุปง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านได้บันลุกอะไรมั่งแล้วก็ตอบได้ว่า ทันปัตลุอริย ส, สสีทุกสซมูไทนิโรธมักและในสีข้อนี้คอที่สำคัญที่สุดคือขอแรกคือทุกเพราะการกำหนดรู้ทุก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 การจัดสรุ้การบรรลุธรรมคือการกําหนดรู้ทุกข์ฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้กําหนดรู้ทุกข์เราทั้งหลายเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ที่นี้ฟังแล้วมัน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 เป็นพวกนติขทิธิเรียกว่าพวกที่ต้องการทำลายหรือเขาจะเขาจ ะ, าจะค้านว่าพุทธศาสนาสอนว่าเราเป็นทุกข์เพราะความอยาก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 การทรมานกาบไม่สบายกายและความไม่สบายใจความเศร้าโศกเสียใจความระทมขมขืนความวิตกกังวลความวาดกลัวความความกลัดกลุ่มความอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรง เราขับใจว่านี้คือทุกแล้วก็ไม่ผิดที่เดียวเพราะเป็นแง่หนึง่งรือเป็นนายหนึ่งของคำว่าทุกข์แต่ทุกข์ในความหมายของที่พระพุทธองค์ทรงใช้มันจะมีความหมายที่กว้างกว่านั้นและลึกกว่านั้น แล้วที่ที่ยากก็คือมีความหมายต่ า, างเกือบเกสามระดับหรือสา ม, สามอย่างด้วยกันแม่แมในปาลีก็ไม่ใช่ความหมายอันเดียวกันเช่นความหมายของคำว่าทุก ในไตรละคืออ น, นิจฉังทุกขังอนัตตาก็อย่างหนึ่งความหมายของคาว่าทุกในอริยสัจสี่กับทุกสมุทัยที่โรดมากก็อย่างหนึ่งไม่ตรงกันนะและความทุกในความหมายของเวทนาทุกขเวทนาก็ความหมายอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ ฟังเทศห ร, หรือว่าอ่านคําสั่งสอนพระพุทธองค์จะสับสนเช่นคําว่ามีแต่ความทุกเกิดขึ้นมีแต่ความทุกตั้งอยู่มีแต่ความทุกต่ำไปแล้วมันถ้าเราเอาความทุกขว่าหมายถึงเวทนาก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาไม่มี อันนี้ต้องขาทันทีว่าไม่จริงมันจะดูเหมือนก็ว่าคำสอนพุทธองค์ขัดแย้งอยู่ในตัวเอออย่างที่พระพุทธองค์สักถามพันชาวคีว่าสิ่งทั้งหลายตํ้งปงเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบสิ่งเดียวกันว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยง ทุกข์ะสุขตอบทันทีเลยทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์เสมอไปเรอจริงไหมมาลองคิดดูสความทุกข์ที่นี่หมายถึง ความทุกข์ในอริยสัจไหมความทุกข์ที่เป็นเวทนาไหหรือความทุกข์ในใจหลักไหมนี่ต้องถามอย่างนี้เราจึงจะเข้าใจนี่ขอให้อธิบายว่าข่าแตมาจขบใช้คำว่าทุกขะดีกว่า เพืจะได้ไม่สับสนทุกขะคือความทุกข์นะในความหมายที่กว้างที่สุดก็คือความหมายในไตรลักษณนนิจังตุคังอนัตตาพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพัฒนาคตบังเกิดขึ้นในโลกก็าตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็าตาม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อิ็นอนัตตาเกิดท่านตองย้ำว่าอันนี้ชังทุกขักางอนัตตาไม่ใช่ปัจจาที่พระพุทธองค์ทรงปัญญัติเอาไว้แต่พระพุทธองค์ทรงคนพบความจรงิงความจริงที่เนื้อภาษาแต่เสร็จแล้ว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 ก็เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์รือเป็นสิ่งที่ชัดเจนในความจริงที่ท่านได้ค้นพบและธํามก็บอกว่าการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นายจะลายมา เป็นอย่างนี้ถูกวันนี้อนาคตการนะมันก็จะเหมือนกันอีกพันปีอีกล้านปีอีกพันล้านปีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาคำว่าไม่เที่ยงก็เข้าใจไม่ยากว่ามันเปลี่ยนแปลงมันปรนแปรอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คงไม่มีใครคัดค้านแต่ถ้าว่าทุกขะในที่นี้ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เราเลยมนุษย์จะมีหรือไม่มีไม่ไ ม, ม่เกี่ยวกับความทุกข์หรือว่าทุกขะในความหมายเนี่ยโบราณอาจารย์ท่าน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 เรื่อนี้มันจึงต้องมีสภาพหรือว่าขัดแย้งอยู่ในตัวตลอดเวลาและต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวของมันตลอดเวลาชิ่นต้นไม้เป็นต้นต้นไม้เป็นทุกข์นะแต่ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ทุก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 มันเป็นอย่างไรท่านก็เลือกสิ่งเหล่านี้มามามาพูดว่าสิ่งทั้งหลายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจังทุบปีบัน้นะด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราจะเห็นว่าอันนี้จังถูกขังงานตามันมันอยู่ด้วยกันมันแยกก่อกจากกันไม่ได้อันนี้คือความจริงของธรรมชาติที่กว้างๆโดยทั่วไปใน่าสามัญญลักษณะจากเล็กสุดไปสึงใหญ่สุดล้วนแต่เป็นอย่างนี้ ราจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามมันก็อยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอากาลิโกแต่ความทุกข์ในอริยสัจซึ่อ่คือผลของอความจริงของธรรมชาติที่ได้กล่าวมา ต่อชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในเมื่ อ, อสิ่งทั้งหลายตำปวงมีสมัญญลักษณะที่ว่าไม่เทียมเป็นทุกข์อนัตตานั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัว เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะทำให้มนุษย์เป็นทุกข์อยู่เสมอท่าปังที่ท่านจึงจำกัดความมาทุกข์ว่าสิ่งที่เป็นที่รองรับหรือเป็นสิ่งก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ แต่ความทุกนี้ความทุกที่เป็นอริยัยสัตว์ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติเหมือนทุกขะที่เป็นไตรลักษณ์เพราะทุก์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ทุกอริยสัตว์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมี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 ถ้าเราไม่ฉลาดหรือถ้าเราขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาทุกอาิยสัตว์ก็ไม่เกิดสันพระพุทธองค์ยังอยู่ในโลกแห่งความทุกข์แต่ท่านเองก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็รับรู้ต่อทุก คือความการที่สิ่งทั้งหลายทั้งงทุกปีเป็นคันด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งงพร้อมที่จะแตกสลายอยู่ทุกเวลานาทีแต่ทันก็ไม่เป็นทุกข์กับมันทำไมธรรมชาติ จึงมีผิดมีภัยกับคนที่ยังไม่มีปัญญาเพราะผู้ที่ตามความเป็นจริงย่อมมีตัณหามีความอยากมีความหวัง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 คือความสุขแต่มนุษย์เราคิดผิดเข้าใจผิดไปแสวงหาความสงบไปแสวงหาความมั่นคงด้วยความปลอดภัย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 ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่คือความคิดผิดของเราเช่นหาคำตอบปัญหาชีวิต หาความสงบในสุขเวทนาในความสุขและความสนุกสนานเป็นต้นรหาในความรักเป็นต้นอันนี้คือความวิพลาธของมนุษย์ น, นี่คนก็ถูกหลอกทั่วโลก ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามทุกหลอกว่าความรักเป็นคำตอบตอบปัญหาชีวิตทั้งหลายท่าปวงแต่ความรักก็เป็นสังขารความรักเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 สิ่งเหล่านั้นเกินที่มันจะหาแล้วได้มันก็เป็นความไม่ยุตีธรรมด้วยสิ่งที่มีรสเค็มมีรส เ, เผ็ดเราก็หวังให้มันหวานเมื่อมันไม่หวานเราจะไปว่ามันได้ไหมมันไม่ได้มันอมนองเป็น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 ลองคิดดูสิว่ามีอะไรไม่ทีเคยให้ความสุขแก่เรามากๆเลยคงจะมีนะแล้วมาคิดดูสิว่าหลังจากเราได้มีความสุขกับสิ่งนั้นกับความรู้สึกนะครั้งแรกต่อมาเป็นยังไง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 เสื่มไปมันต้องค่อยๆกรอยไปคนไม่เข้าใจก็เลยว่าวุ่นกุมวัวทำยังไงมันจึงจะได้เรียกความสุขนังกลับมาใหม่หรือว่าที่จะทำให้มันยิ่งกว่านี้ บางที่สุกแล้วก็ยังไม่พอใจนะแม้อย่างนี้ดีมากมากเลยแต่เมื่ออยากจะให้มันตีกว่านี้นิดหน่อยสุกกว่านี้นิดหน่อยเมื่อเราสัมผัสอะไรก็ตามมันก็ยอมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงที่สุด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 นักวิทยาศาสตร์ก็ชอบเอาหนูมาทดลองครืว่าเขาเอาเนืยแข็งหรือว่าเอาอะไรที่หนูชอบกินเอาไปไว้ที่ที่แหงนแห่งหนึ่งแล้วก็ให้หนูไปเอา บางทีต้องเดินเข้าเข่าเมย์เข่าทางที่มันสลับซับซ้อนเดินทางด้วยความยากลํำบากเพื่อจะได้สิ่งที่มันต้องการเมื่อมันเกิดนิสัยมันรู้ว่าได้ยินเสียงระฆังอืมก็จะได้กินแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนก็พระตดินเสียงระฆังก็รู้ว่าจะได้ฉันนําปานะ นูก็ได้ยินเสียงรัคางเออก็ได้ใจตีกินเนยแข็งก็เดินไปไปเหมือนมันมันเกิดนิสัยแล้วนักวิทยศาสตร์ก็เลยเอาเนยแข็งแล้วเอาอาหารไปทิ้งตีรัคางแต่ไม่มีอะไรให้มันกินเขาก็อยากทราบว่าหนูเขาจะ เขาจะทนความทุกข์ทรมานกี่ครั้งก่อนที่มันจะเบื่อครั้งแรกไปเห็นว่าไม่มีอะไรกินวันก็ไม่เข้าใจงงๆอยู่ขอตกเดินกลับต่อมาได้ยินเสียงเอจะไปดีไหมเนาะนาจะไปครั้งนี้ก็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 แต่มนุษย์เราไม่เคยได้แต่อย่ามีความหวังอยู่ไม่รู้เอาความหวังมาจากไหนนักปรกาชุดุษฎสนาตั้งแต่ตั้งแต่ส ม, มัยโบราณรู้แต่เตือนแต่บอกที้แจงแต่มนุษย์เราไม่เชื่อเชื่อความอยากเชื่อความโง่ของตัวเอง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 รสภูธาปภามันก็แค่นั้นแหละจะไปเอาอะไรนักหนากับสิ่งแล้วนี้พุทธองค์จริงสอนให้เราดูให้เรารู้ให้เราเห็นความจริง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 สิ่งที่เราต้องการในที่ผิดเหมือนกับลุงพ่อท่านบอกว่าเหมือนคนตกปลาในหนองที่ไม่มีปลาจะขยันมันเพียรฉะนั้นทุกจะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ในเมื่อ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 คือความอยากรูปเสียงกลิ่นรสโผทพภะทำอารมณ์อยากทำไมพอรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรสักอย่างแล้วมีความคิดงมงายว่าได้เห็นสิ่งที่สวยงามได้ไดไดยินเสียงเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่หอมได้รสที่อร่อยได้สัมผัสที่หน้าปราตนาได้ ความคิดในอารมณ์ทั้งใจที่ดีแล้วความรู้สึกว่าขาดว่าพร่องนั้นมันจะหายไปแต่มันไม่หายได้การแสวงหาสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้ยิ่งพร่องมากขึ้นยิ่งขาดยิ่งว่างเปล่ายิ่งเปล่าเปลี่ยวเมื่อทำให้รู้สึกแปลกแยก จ า, จากธรรมชาติของตัวเองลุงพ่อท่านมักจะมีคำสอนที่สั้นๆใช้ภาษา ง่ายๆในการสอนพระฝรังพวกเรามาใหม่ๆยังพวกภาษาไทยไม่มากเราก็ยังได้ของดีจากท่านแล้วก็ได้คำสอนสั้นๆไม่กี่คำแต่ว่าพอที่จะเอาไปใช้ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหรือเป็นอาวุธในการทำลายกิเลส ข, ของตนตลอดชีวิตเลยแจงนคำว่าไม่แน่คำว่าทุกข์เพราะคิดผิดเป็นต้นถ้าก็มีอีกคำหนึ่งที่ท่านเคยสอนที่มีความหมายที่ลึกซึ้งพิจารณาทั้งชีวิตก็ยังไม่ ยังไม่ถึงยังไม่หมดคำนี้ก็คือว่าเห็นทุ ก, ก็ไม่ทุกจไมีความเป็นอริยะของหลวงพ่อฮนะคือลงกิดฟังว่ามาใหม่ๆนี้ยังพูดภาษาไทยไม่ได้แค่นี้ก็ก็พอเข้าใจฮนะแต่ว่าความหมายเนี่ย มันอมันก็ยังไม่เห็นนะแต่พอเข้าใจความหมายทางภาษาว่าเห็นทุ ก, ก็ไม่ทุกมันเป็นยังไงนะเห็นทุกแต่ไม่ทุกจะไม่ทุกในขณะที่เราเห็นทุกตามความเป็นจริงเราก็ไม่ทุกที่เราเป็นทุกเพราะเราไม่เห็นทุก ไม่เห็นทุกนั้นไม่ใช่ว่าแค่ละหูละตาต่อความทุกอย่างเดียวกลบเกลื่อนความทุกปฏิเสธว่าฉันไม่มีความทุกอะไรเลยอันนั่งก็อย่างหนึ่งเรียกว่าเต็มที่เลยนะฉันไม่มีปัญหานี่คำพูดของคนโง่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 เหมือนกับคนอื่นที่ไม่ภาวะเขาไม่มีปัญหามีทั้งนั้นแต่ทำไมคนมีปัญหาแล้วไปกินเหล้าเมายาเขาก็ไม่ว่าแต่คนมีปัญหาแล้วก็ไปหาคาการแก้ปัญหาโดยสินสมาธิปัญญาก็ถูกเขาว่าอันนี้คือความวิพลาศของงสังคมไทย ในสมัยปัจจุบันแต่เราก็มีปัญหาทางนั้นคือการพัฒนาปัญญาของคนนะเริ่มต้นโดยความความคิดแบบโง่ๆว่าฉันไม่มีปัญหาขั้นที่สองก็คือฉันมีปัญหาขั้นที่สามก็คือฉันคือปัญหา ไม่ใช่ว่าฉันมีปัญหาฉันมีปัญหาเลยแลยว้วายังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์เพราะเขายังมีคำว่าฉันการที่เราเห็นว่าตัวฉันนี่แหละตัวปัญหานี่แหละจะเริ่มตับความทุกข์ได้แล้ว ถ้าเราเห็นว่าเราเป็นเจ้าของความทุกข์ไม่ได้เลว่ากำหนดรู้ทุกข์เพราะทุกข์ไม่มีเจ้าของและการสร้างตัวเจ้าของและการยึดมั่นเทือมั่นว่ามีเจ้าของที่เป็นทุกข์นี่แหละเป็นตัวปัญหา ดังกำหนดรู้ถูกก็เห็นภาวะหรือสภาวะแห่งความทุกข์ล้วนๆอย่าให้มีอัตตาตัวตนอย่าให้มีเรามีเขาอย่าให้มีความยึดปั้นถื อ, อมั่นในความหมายของอัตตาเข้าไปแอบฝัน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 ไม่ใช่ของใครในขณะที่เราเห็นความทุกข์าความเป็นจริงก็ไม่เป็นทุกขนะ์ฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติตันลักคำสั่งสอนพุะโต้งเราต้งตั้งท่าที่ไวใหม่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 ทันลุงพ่อของเราท่านก็ย่ำหนักย่ำหนาในเรื่องนี้ว่าต้องเห็นทุกข์ก่อนมันจึงจะละทุกข์ได้ย่าไม่เห็นมันย่าไม่เผชิญหน้ากับความทุกข์แล้จะละมันได้อย่างไรหนีไปที่ไหนมันก็หนีไม่พ้น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 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุธรรมก็ตามเป็นนามธรรมก็ได้ก็ตามที่จะระ ง, งับความทุกข์ของเราอย่างสิ้นเชิงได้ที่จะจะน้อมไปเพื่อสิ่งที่ทนันเลววิสังขารเราจะเบื่อหน่าย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 ทองคาให้กรองก็กรองนะกรองทองคาก็กรองเหล็กกรองพลาสติกกรองอะไรกมันก็ยังเป็นกรองอยู่ดีสําหรับนกนี่มันมันก็ยังอืดอัดพอๆกันนะนกที่เป็นที่รู้ตัวเองว่าเป็นนก ไม่พอใจหรอกกับรองที่ทำโดยทองคำไม่ไม่ภูมิใจอะไรแต่สู้มากพวกเราที่เป็นนกเป็นนกเขาเป็นรองเขาใจว่าเราเป็นไก่มั่วแต่คุยค้ยเขียวอยู่ทั้งวันไม่เคยคิดที่จะใช้ปีกของต่เอง ก็เลยเหมือนกับนกอมะพาต์หรือเป็นไก่เหมือนกับนกอินทรีเป็นโรคจิตคิดว่าเป็นไก่ดังศาสนาธรรมเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้นกอินทรีรู้ตัวว่าเป็นนกอินทรีไม่ใช่ไก่ นอกกินสีคิดว่าตัวเองเป็นไก่นิว่าเสียเกียรติเลยเสียชาติเกิดเป็นนอกกินสีแต่เมื่อพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นนกแล้วรู้ว่าเราเป็นนอกกินสีแล้วมันก็อยากจะเป็นอิสระมันอยากจะบินบนบนฟ้ามัาง่งมันรู้สึกไม่อยากอยู่อย่างนี้